สวัสดีครับพี่น้องครับนี่กือเสียงจากสีบ่บานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าแล้วนะครับชีวิตพระเยซูหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าทำอุปมาตอนที่แปดคับไข่มุกล้ำค่าพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่สิบสามข้อที่สี่สิบห้านะครับถึงสี่สิบหกมัทธิวบทที่สิบสามข้อสี่ห้าถึงสี่สิบหกโปรดฟังพระชนะของพระเจ้า อีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไขมุกอย่างดีและเมื <or> <in> <subscriptions> <or> ่อได้พบไขมุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ไปซื้อไขมุกนั้นโปรดฟังอีกครั้งอีกประการหนึ่งแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไขมุกอย่างดีและเมื่อได้พบไขมุกเม็ดหนึ่งมีค่ามากก็ไปขายสิ่งสารพัดซึ่งเขามีอยู่ ไปซื้อไข่มุกนั้นพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นคําอมมาเรื่องไข่มุกล้ําค่าที่มีราคามากพระเยซูทรงสั่งสอนสาวกของพระองค์ด้วยความอิปุปมาอีกประการหนึ่งซึ่งแสดงถึงคุณท่าที่สูงส่งของแผ่นดินสวรรค์ในครั้งนี้พระองค์เปรียบเทียบแผ่นดินสวรรค์เหมือนกับพ่อค้าคนหนึ่งที่ไปหาไข่มุกอย่างดีเขาสแสวงหาเขาไปไปขว่คว้าคน หาไข่มุกและเมื่อเขาพบไข่มุกเม็ดหนึ่งที่มีค่ามากเขาก็ไปขายสิ่งทรพัพย์ที่เขามีอยู่เพื่อที่จะไปซื้อไข่มุกนั้นไข่มุกนั้นมีคุณค่าในด้านราคาและความงดงามของมันมากแหล่งไข่มุกของปาเลสไตน์นั้น <c oughs> อยู่ในทะเลแดงครับเพราะเป็นทะเลที่มีน้ําเค็มในเรือแทนครับก็มีหอย ในแถบทะเลแดงหรือแถบประเทศเปอร์เซียในแถบประเทศมหาสมุทรอินเดียนในแถบนี้นั้นไขมุกเป็นเรียกว่าของที่มีคุณค่ามากทีเดียวนะครับไขมุกนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของเพชรนินจินดาทีเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากมเมล็ดสายเล็กๆที่เข้าไปทําให้เกิดการละลายเครืองในหอยมุกจากการละลายเครืองนี่เองครับ ทำให้หอยมุกนั้นขับสารชนิดหนึ่งออกมาเคลือบเม็ดทรายนั้นเีละเล็กีละน้อยนะครับพอกันขึ้นมาใช้เวลานานมากครับจนกระทั่งมันกลายเป็นไข่มุกพ่อค้าในคำอุปมาณนี้รู้ถึงคุณค่าของไข่มุกเป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นเขาเมื่อค้นหาไข่มุกที่มีค่าและพบไข่มุกนั้นเขาก็เลยต้องสละสิ่งสารภาภาพัดครับ ขายสิ่งสลรพัดที่เขามีอยู่ไปซื้อไข่มุกนั้นเพื่นอนครับเมื่อเราเปรียบเทียบอทาอุปมาเรื่องไข่มุกที่ล้ําค่าหรือไข่มุกที่มีราคาแพงกับอุปมาในเมื่อวานนี้เกี่ยวข้องกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่มีทั้งความเหมือนกันและมีความต่างกันครับความเหมือนกันก็คือว่าเมื่อเขาพบขุมทรัพย์นะครับกับไข่มุกเขาก็ ไปขายทรัพย์สินที่ก็มีอยู่แล้วก็ไปซื้อนาที่มีขนขุมทรัพับซ่อนอยู่และไปซื้อไข่มุกที่อยู่ในหอยที่มีความล้ําค่าสูงส่งเราจะเห็นว่าแผ่นดินสวรรค์ของทั้งสองคำอุปมานี้สูงส่งมากและที่เหมือนกันก็คือเ้าขายทรัพย์สินหรือทรัพสมบัติที่ก็มีอยู่นั้นเพื่อที่จะไปซื้อนะครับหรือให้ได้มาซึ่งแผ่นดินสวรรค์นั่นเอง แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือว่าในข้อที่44อุปมาขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่นั้นคือเขาพบโดยบังเอิญครับก็คือขุมทรัพย์นั้นมันซ่อนไว้อยู่ในทุ่ ง, งานาก่อนนะครับเมื่อเขาไปขุดไปพบนะครับโดยบังเอิญเขาก็จัด ก, การขายข้าพันสิ่งทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่ไปซื้อนานั้นเพื่อที่จะได้ขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ แต่ในขณะที่ไข่มุก ค, ครับไข่มุกนั้นคนที่ไปหานั้นเป็นพ่อค้าครับเขามีอาชีพครับอาชีพก็คือค้นหาไข่มุกเพื่อที่จะได้มานะครับเขาจะไปขายหรืออย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องของเขาแต่เขาต้องค้นหาครับเขาต้องสบายนะเพียงครับจากความเหมือนและความต่างนี้ทําให้เราได้บทเรียนก็คือว่า มีบางเสียงบางอย่างนะครับที่เหมือนกับขุมทรัพและไข่มุกนั่นก็คือแผ่นดินสวรรค์ครับแต่ว่าทั้งพ่อค้าที่เรียกแสวงห า, ากับผู้ชายที่อ่าได้ไปฟื้นไร่นาฟื้นที่ดินของเขานั้นายทั้งสองนั้นได้ขายสิ่งที่เขามีอยู่แต่ว่าที่ต่างกันก็คือว่ามีคนหนึ่งพบโดยบังเอิญแต่อีกคนหนึ่ง เขาแสวงหาเขาถึงพบครับนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าในการพบแผ่นดินของพระเจ้านั้นคนบางกลุ่มนะครับคนบางกลุ่มก็พบโดยบังเอิญครับเขาไม่ได้ตั้งใจนะครับที่จะค้นหาแผ่นดินสวรรค์แต่เขาพบโดยบังเอิญ น, นะครับสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของคนที่พบโดยบังเอิญก็คือว่าเขาสนใจครับ และเขาเห็นคุณค่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นพี่น้องครับเราบางคนอาจจะค้นพบโดยบังเอิญครับคนบางคนอาจจะค้นพบแผ่นดินสวรรค์หรือสิ่งที่มีค่าสูงส่งก็คือความรักความรอดที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงชีวิตของเขาด้วยโดยบังเอิญบางคนอาจจะได้รับตอนแต่งงานครับนะครับเพราะเนื่องจากการแต่งงาน ก็ทําให้ได้แผ่ดินสวรรค์บางคนอาจจะได้รับจากบทเรียนต่างๆในชีวิตที่ผ่านเข้ามานะครับเขาก็ได้รับความรักความรอดของพระเจ้าด้วยบางอืญ น, นะครับหรือบางอืน่นเขาไม่ได้หาครับแต่ว่าพระคุณของพระเจ้านั้นก็ไหลหลั่งเข้ามาในชีวิตของเขาโดยที่เขาจริงๆแล้วไม่สมควรจะได้รับเลยแต่มีคนบางคนครับเขาสแสวงหามาเขาสแสวงหาสันติสุข เขาแสวงหาความหมายของชีวิตเขาอยากจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าศักดิ์สิทธิ์สูงส่ง่ยก็พบกับพระเจ้านะครับบัมผีบอกว่าถ้าใครหาเขาก็จะพบในที่สุดคนเหล่านี้คนกลุ่มนี้ก็พบว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดเพราะฉะนั้นเราสามารถสรุปได้ว่าบางคนนั้นพบแผ่นดินของพระเจ้าโดยดัยงเอือนนะครับโดยปัจจัย ก, การใช้เวลาคิดแต่บางคน พบแผ่นดินของพระเจ้าเพราะว่าเขาแสวงหาแต่ทั้งสองกลุ่มนี้นะครับเหมือนกันก็คือเขาได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเขาได้รู้จักกับพระเยซูครับอยากจะถามนครับว่าพวกเรารู้จักข้อล้ำลึกแห่งแผ่นดินของพระเจ้าหรือเปล่าจากจา ก, จากการศึกษาทําอุมาทั้งสองนี้เพื่อที่จะทำโอุมาทั้งสองนี้จะช่วยให้คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งครับ ได้พบคุมทรัพย์ที่ช่อนอยู่ได้อย่างง่ายดายพี่น้องครับในชีวิตของเรานะครับหลายทรั้งเราพบกับพระเจ้าด้วยบางเอือนครับหลายๆคนพบกับพระเจ้าด้วยบางเอืน่นพอมีน้อยคนนะครับที่ตั้งใจจริงใกนการแสวงหาพระเจ้าแต่สำหรับเราแล้วหรือสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วพระเจ้าได้ทรงพระคุณมากมายครับพระเจ้านั้นมีพระคุณต่อพวกเรามากมาย ทำให้เรานั้นได้มีโอกาสครับพระเจ้าเปิดโอกาสพระเจ้าสร้างโอกาสให้กับเราพี่น้องครับในขณะเดียวกันในทางพยุ์ใช้ก็คือเราจะต้องสร้างโอกาสและให้โอกาสให้กับคนอื่นครับเพื่อที่เขาจะเป็นของพระเจ้าเพื่อที่เขาจะพบกับสิ่งที่สูงค่าสิ่งล้ำค่าที่ซ่อนอยู่สิ่งล้ำค่าที่เขากำลังแสวงหายอยู่ ทั่นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าความรักความรอดของพระเจ้าของเราขอพระเจ้าไวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านในการที่เราจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐและแผ่นดินสวรรค์ให้เราเป็นพัฒนะเป็นท่อแห่งพระพรที่นําความรักความรอดไปถึงพี่น้องญาติและเพื่อนๆของเราในช่วงเทศกาลค ร, รสิสต์มาสนี้ขอให้เราเป็นพระพรของพระเจ้าแก่พวกเขาจริงๆครับอาเมน